ผานามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหนนนิกายเป็นมหายุโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักองคจันรพระเจ้ากรุง ก, งกัมพูชาทิปดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองค์จันร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบ ก, กับไทยไทยได้รบ ก, กับยวน และยวนได้กระทามหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านานประมาณถึงส4บสี่ปีเศษมีข้อความพิสดารวิจฐานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อ่านามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สิเดกองทัพไทยฝอยทัพหนีทัพยวน พระยาจา่าแสนบดีได้ทำตามบัญชาสั่งตั้งปืนจังก้าบนหลังช้างเป็นแถวแถวแถวละยี่สิบช้างวางปืนตับหลังช้างลงไปถูกเรือรบยวนที่เข้ามาใกล้ตะลิ่งแตกบ้างล่มจมบ้างสี่สิบสามลยวนตายในน้ำครั้งนั้นประมาณห้าร้อยเศษที่เหลือตายก็ว่ายน้ำไปขึ้นเรือรบที่ไม่จมนั้นได้บ้าง รอดตายไปได้ประมาณพันเศษเรือรบที่ถูกกระสุนปืนหลังช้างชารุดสีสะหักกราบแตกไม่จมน้ํานั้นก็หนีออกไปให้ห่างตะลิงพอผลทางปืนไทยแต่เรือรบยวนที่มาประดาแจวอยู่หน้าตะลิงและอยู่ห่างไกลาทางกระสุนปืนประมาณเรือรบทั้งใหญ่และเล็กสองร้อยเจ็ดสิบลำก็หนุนเนื่องกันแจวเข้ามามากแต่ล้วนเรือค่ายเรือป้อมใหญ่ๆ ขอรับกระสุนปืนไทยไม่แตกจมลงได้แจวหนุนเนื่องกันเข้ามาช่วยกันเก็บจูงเรือรบของไทยที่พระยาเดโชท้ายน้ําหิงไว้ในลําน้ํานั้นหกสิบสี่ลำเก็บได้พร้อมทั้งปืนใหญ่และกระสุนดินดําเสบียงอาหารสําหรับเรือยวนนั้นได้ไปพร้อมกับเรือสิ้นทุกลําำยวนได้เรือรบใหญ่ๆของไทยไปหกสิบสี่ลำครั้งนั้นเพราะว่า กองทัพใหญ่เจ้าพระยาพระครังไม่ยกหนุนเข้าช่วยแก้ไขกลับถอยทัพหนีไปไกลละทิ้งให้แต่พระยาเดโชทายน้ำอยู่สู้กองเดียวจึงเสียเรือรบของหลวงไปแก่ยวนมากแต่กองทัพทางฝ่ายพระราชวังบวร น, นั้นยกลงไปถึงช้าอยู่หน่อยไม่ทันรบกับยวนยวนก็พากันเก็บเรือรบไทยไปได้แล้วยวนก็ล่าทัพถอยหนีกลับไปค่ายเกาะแตงหมด เพราะทัพชางมาต้านทานปะทะยวนไว้ได้ยวนจึงไม่ได้ไล่ทัพเรือกองเจ้าพระยาพระขังเจ้าพระยาพระขังก็ถอนหนีไปได้สะดวกไปพักอยู่ในคลองวามนาวใกล้เมืองโจรกครั้งนั้นเจ้าพระยาบรินเดชายกไปถึงที่ปากคลองสามแยกพอทัพยวนยกเลิกกลับไปหมดจึงสั่งให้พระยาราชสงครามแม่ทัพกองหน้า เร่งยกไปตีข่ายยวนที่เกาะแตงลองดูตามบุญตามกรรมทัพเรือเจ้าพระยาพระทังก็ล่าถอยไปเสียแล้วจึงสั่งให้พระยาเดโชททยนามกลับลงเรือรบที่เหลือจากพวกยวนพาไปไม่หมดส8บดลำให้ยกลงไปช่วยหนุนทัพ บ, บกด้วยแต่ไพ่พลทัพเรือที่เหลือตายและเหลือจากเรือรบสามสิบดลำนั้นก็ให้เดินไปในทัพ บ, บกบ้าง แล้วให้หลวงสุรนรงค์วางหน้าขุมเรือเร็วรีบไปเร่งทับเรือเจ้าพระยาพระคังให้กลับลงมาช่วยทับบกยกเข้าตีข้ายวนที่เกาะแตงอีกสักครั้งหนึ่งฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชายกทัพบกลงไปใกล้เกาะแตงรอเดินทัพคอยทับเรือเจ้าพระยาพระคังก็หายกลงมาไม่ขันรอคอยทับเรืออยู่ช้าก็ไม่ได้ยวนจะยกทับบกทับเรือมาตีทัพบกแตกเสียเหมือนทับเรืออีกเล่า จำเป็นจะรอคอยไม่ได้จึงสั่งพระยาจ่าแสนบดีและพระยาพิชัยชาญฤทธิ์นายทัพช้างสองกองให้นําปืนบ้าเหลี่ยมรางเกวียนที่บรรทุกหลังช้างมานั้นยกลงตั้งกับตะลิงยิงไปต้องค่ายยวนกองหน้าของทัพเกาะแตงค่ายยวนที่นั่นตั้งใกล้เกาะแตงถูกกระสุนปืนใหญ่ไทยค่ายยวนพังทลายลงไฟก็ไม่โหรบหน้าค่ายยวน ยวนต้อนพลทหารขึ้นดับไฟบนหรัรถฝ่ายทัพไทยก็ยิงปืนใหญ่ออกไปอีกคราวหนึ่งถึงกระสุนปืนถูกพลทหารหยวนที่ขึ้นดับไฟนั้นตกหัรถลงมาตายบ้างถูกกระสุนปืนตายบ้างรวมยวนตายครั้งนั้นประมาณห้าสิบคนฝ่ายยวนซึ่งตั้งค่ายอยู่ณฝ่ า, ฝ, าฝั่งตะวันออกเหยียงเกาะแตงนั้นก็ยิงปืนใหญ่ออกมาจากในค่ายตะวันออกนั้นเป็นสามารถของทัพ บ, บกฝ่ายไทย จะยกไปตีปล้นค่ายฝั่งตะวันตกก็ไม่ได้ต้องถอยทัพกลับออกมาแต่เมื่อทับบกยกเข้าตีปล้นค่ายยวนฝั่งตะวันตกนั้นค่ายยวนฝั่งตะวันตกเป็นที่ท้องคุง้งค่ายยวนฝั่งตะวันออกเป็นที่ศรีสาแหลยมยื่นออกมามากเพราะฉะนั้นยวนค่ายฝั่งตะวันออกจึงนำปืนใหญ่น้อยยิงระดมมาแต่ศรีสาแหลมฝั่งตะวันออกกระสุน no. ปืนมาตกที่ท้องคุง้งฝั่งตะวันตกได้ถนัด ถูกผู้คนนายทับนายกองและไพร่พลไทยล้มตายลงมากเมื่อยกเข้าปล้นนั้นเจ้าพระยาบดินเดชาจึงให้ทับหน้าและทับของท่านถอยออกมาเลิกการปล้นเสียให้แต่ตั้งมั่นยิงกันแตกไกลๆดูเชิงสึกก่อนขณะยกเข้าปล้นค่ายใต้เกาะแตงฝั่งตะวันตกนั้นเสียนายทับนายกองสี่คนคือพระยาวิเศษชัยชาญผู้ว่าราชการเมืองอ่างทอง ถูกปืนยวนกระสุนเท่าผลมะกรูดถูกที่หลังตายในที่รบหนึ่งพระราชเสนาถูกปืนหามแล่นยวนกระสุนเท่าผลหมากสงข้างในมาถูกที่ศีรษะแตกตายในที่รบหนึ่งพระเถื่อนเพชรเสนากับหลวงยุทธกัมแขงสงครามข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวรทั้งสองคนนี้ถูกกระสุนปืนกระสุนแตกของยวนยิงมาต้องที่กาย ก็ตกลงน้ำตายในที่รบศพ ก, ก็ไม่ได้ทั้งสองคนแต่ขุนหมืน่นไพรพลไทยรามันขมนตายมากประมาณ200 300สอง3้อสามร้อยเศษแต่กองช้างนั้นช้างถูกกระสุนปืนใหญ่ของยวนตายสี่สิหกเชือกทั้งสองกองหลวงวิเศษขชลักษ์กรมช้างในพระราชวังหลวงถูกกระสุนปืนตายหนึ่งหลวงอินทร์ขเชลัก์ กรมช้างในพระราชวังบวรตายบนหลังช้างหนึ่งหลวงพักดีพลแสนกรมช้างกองงอกในพระราชวังบวรถูกกระสุนปืนตายพร้อมกับช้างที่ล้มตายด้วยหนึ่งไพรพลในกรมช้างสองกองตายประมาณ100ร้อยเศษการประมาณไพรพลตายในกองทัพ บ, บกครั้งนี้จะประมาณเป็นแน่ไม่ได้เพราะไม่ได้รายงานในการรบมาเรียบเรียง เป็นแต่การประมาณมาแต่ใบบอกในคราวล่าทับนั้นก็เก็บมาเรียบเรียงไว้ในนี้ตามใบบอกของกองทัพ บ, บกและเรือฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาแม่ทัพ บ, บกล่าทับออกจากที่ป้นดังนั้นแล้วรอคอยทับเรือเจ้าพระยาพระคังก็ไม่เห็นยกมาช่วยมีแต่ทับเรือพระยาเดโชท้ายน้ำก็มีเรือรบแต่สามสิบแปดลำเท่านั้นจะสู้อะไรกับยวนได้เล่าจึงปรึกษากับพระยาพระ หลวงนายทัพนายกองว่าแต่เรายกกองทัพมาตีป้นไข่ยยวนที่ก่อแตงนี้ก็หลายเวลาแล้วไม่ได้ท่วงทีมีชัยชนะแก่ยวนเลยเพราะว่าทัพเรือมาไม่ทันถ้าทัพเรือมาทันทีก็จะยิงระดมกับค่ายฝั่งตะวันออกได้ฝ่ายเราก็จะเข้าป้นไข่ฝั่งตะวันตกคงจะได้ชัยชนะแก่ยวนสักทางหนึ่งไม่ทัพบกก็ทัพเรือ คงจะได้ค่ายพวกยวนสักค่ายหนึ่งเป็นแน่นี่ทัพเรือไม่ยกมาเราจึงต้องล่าเพราะด้วยทัพเรือมาไม่พร้อมกับทัพ บ, บกสองครั้งแล้วจึงเสียไพ่ผลและ้างมาเรือรบกับพวกยวนมากครั้งก่อนคนน้อยก็ว่าคนน้อยครั้งนี้คนมากก็ต้องล่าทั้งมากๆเราจะนั่งรบกับพวกยวนอยู่ที่นี่ไม่ได้ ถ้าพวกยวนยกทัพ บ, บกทัพเรือเพิ่มเติมมาอีกฝ่ายเราก็จะอยู่สู้มันไม่ได้เพราะว่าเรือรบของเรามีน้อยนักเห็นอยู่แต่ทางที่ล่าถอยทัพกับฝ่ายเดียวเท่านั้นทาสึกกับพวกยวนเช่นนี้จะได้เมืองยวนที่ไหนเล่าขันจะบอกกล่าวโทษทัพเรือเจ้าพระยาพระคลังเข้าไปยังกรุงเทพมหานครฝ่ายเจ้าพระยาพระคลังแม่ทัพเรือ ก็จะมีใบบอกแยงโต้อตอบแก้ตัวเข้าไปยังกรุงเทพบ้างดูเหมือนเราจะก่อการให้คุณเครืองใต้ฝ่าละ อ, องธุรีพระบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นหลายอย่างหลายประการทั้งเสือพลทวยหารช้างมา้าข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็พากันมาล้มตายพลัดพรายหายจากไปก็มีบ้างต่างๆนานาทั้งเสียพระราชทรัพย์ ที่ทรงทำหนุบำรุงในการศึกสงครามนี้ก็มากมายหลายพันช่างก็ยังหาได้เมืองยวนสมดังพระราชประสงค์ไม่รันจะคิดยักย้ายทายเทการศึกสงครามต่อไปคิดแก้ไขตีเมืองยวนมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายให้ได้ตามพระราชประสงค์นั้นเล่าจะต้องให้เจ้าพระยาพระทังกลับก่อนให้สิ้นคนขาด และคนที่ไม่ประพฤติตามคําสั่งของผู้ถืออาญาสิทธิในการทับศึกโดยที่เจ้าพระยาพระทังทําความผิดต่อกฎหมายพระอัยการศึกหลายครั้งแล้วฝ่ายเราก็จะแต่งตั้งให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองที่กล้าหาญเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเรือแทนเจ้าพระยาพระทังต่อไปตามการในบทพระอัยการศึก แล้วจะได้นัดหมายนายทัพ บ, บกทัพเรือให้ยกพร้อมกันระดมเข้าตีข่า ย, ยวนที่เกาะแตงอีกสักครั้งหนึ่งก็คงจะได้ชัยชนะแก่ยวนที่เกาะแตงเป็นอันแน่แต่มาดว่าจะชนะยวนได้ค่ายที่เกาะแตงแล้วเราจะลงไปทําศึกสงครามตีทัพยวนที่มาล้อมเมืองไส่นอนให้แตกไปในครั้งนี้ไม่ได้เพราะเรือรบของเรามีน้อย ไม่พอกับจะเป็นทัพหนุนที่จะยกไปช่วยทัพบกทำการข้างหน้าเห็นจะตลอดไปไม่ได้อีกประการหนึ่งเล่าในระยะนี้ก็เป็นเดือนห้าต่อเดือนหกเข้าในฤดูฝนบ้างแล้วจะยกทัพบกไปในป่าดงกว่าจะถึงเมืองใส่งอนนั้นใพรทนก็จะได้ความลาบากเจ็บไข้ล้มตายด้วยไข้ป่าในฤดูฝนนี้มากนกะเห็นการที่คิดใหม่นี้ ก็ไม่เป็นที่มั่นคงแก่ราช ก, การสึกต่อไปได้เลยคิดไปคิดมาก็ไม่ได้แต่จะต้องล่าทัพไปพักพนอยู่ที่เมืองขเขมรก่อนจะได้บำรุงพลทหารและหาสะเสบียงอาหารสะสมไว้ทำการปีกับยวนต่อไปอีกใหม่ในฤดูแ้งหน้าจึงจะได้คิดราช ก, การต่อไปอีกครั้งนี้ก็ได้แต่ล่าถอยไปทั้งทัพ บ, บกและทัพเรือทายเดียวเท่านั้น ฝ่ายเจ้าพระยาพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายก็เห็นชอบพร้อมกันตามความคิดเจ้าพระยาบรินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาจึงสั่งพระยาเดโชท้ายน้ำให้คุมเรือรบสามสิบแปดลที่เหลืออยู่นั้นให้ยกกลับไปหาเจ้าพระยาพระทังที่ปลาคลองวามนาวถืดจะได้ลาาทัพเรือไปอยู่เมืองบันทายมากทีเดียวขณะนั้นจึงแต่งหนังสือคาสั่งถึง เจ้าพระยาพระครังฉบับหนึ่งใจความว่าทัพบกก็จะยกเลิกล่าไปในครั้งนี้แล้วให้ทัพเรือยกล่าถอยไปพักพนอยู่ที่เมืองบันทายมากทีเดียวเถิด อ, อย่าให้ทัพเรือพักที่เมืองโจโดุกเลยฝ่ายพระยาเดโชท้ายน้ำได้รับหนังสือคาสั่งนั้นแล้วจึงเลิกทัพเรือล่าถอยไปในวันนั้นฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาแม่ทัพ บ, บกจึงสั่งพระยาพระหลวง นายทัพทั้งปวงให้ยกเลิกล่าถอยทัพไปเมืองโจโดกทุกทัพทุกกองฝ่ายทัพเรือเจ้าพระยาพระทังและทัพเรือทั้งหลายก็ยกเลิกมาอยู่ที่เมืองบันทามาทั้งสิน้นแต่เจ้าพระยาบดินเดชามาถึงเมืองโจโดกแล้วจึงมีหนังสือไปถึงเจ้าพระยาพระทังฉบับหนึ่งใจความว่าทัพบกได้มาพักอยู่ที่เมืองโจโดกแล้วขัสนด้วยสบียงอาหารและกระสุนดินดำด้วยครั้งจะอยู่ที่นี่ เห็นทียวนจะยกทัพ บ, บกทัพเรือมาตีเมืองโจโดกคืนครั้งนี้โดยสามารถเพราะว่ายวนได้เรือรบไทยไว้ไปมากแล้วกับประการหนึ่งเล่ายวนกาลังเป็นบ้าสงครามคงจะยกทัพใหญ่มาตีไทยอีกเป็นแน่ครั้นทัพ บ, บกจะตั้งรับทัพยวนอยู่ที่เมืองโจโดกนี้เห็นว่าป่วยการแรงทหารไรพลหนักเพราะไรพลก็บอกช้าอิดยลงมาก จำเป็นจะต้องชิงทิ้งเมืองโจโดกเสียในครั้งนี้เป็นแน่แต่ว่าจะต้องรื้อกำแพงเมืองทลายลงน้ำเสียให้สิน้นกับจะนำปืนใหญ่สำหรับเมืองโจโดกนั้นหาตะปูอุดชนวนเสียทุกกระบอกแล้วกลิ้งลงทิ้งน้ำเสียให้หมดอย่าเหลือไว้ให้เป็นกำลังแก่ยวนต่อไปปืนใหญ่นั้นครั้นจะพาไปด้วยก็ไม่ได้เพราะเป็นปืนใหญ่เหลือกำลังช้างจะบรรทุกไปได้ แต่กระสุนดินดำของยวนนั้นจะบรรทุก้างไปให้หมดกับข้าเปลือกที่มีอยู่ในเมืองโจโดกมากน้อยเท่าใดขันจะบรรทุกทางไปยังเมืองขมิ้นก็เห็นเป็นการไกลนะักจึงจาเป็นจะต้องเผยุง้งฉางเสียหมดทั้งเมืองและจะทําลายล้างบ้านเมืองโจโดกเสียให้สิ้นเชิงจนชั้นแต่ต้นไม้มีผลก็จะฟันเสียให้หมดแล้วจะนำไฟจุดเผาเย่าเกลียนในเมืองโจโดกเสียให้สิ้น แล้วก็จะล่าทัพถอยไปพักอยู่ที่เมืองขมรในวันสองวันนี้อันหนึ่งให้เจ้าพระยาพระคลังทําลายล้างเมืองบันทายมากเสียให้สิ้นเชิงดังที่เมืองโจโดกหนีเหมือนกันให้นายทัพนายกองเรือขนเครื่องศาสตราวุธสเสบียงอาหารในเมืองบันทายมากและเมืองกําปอดเมืองกะพงสมลงบรรทุกเรือรบใหญ่พ่อนไปไว้เมืองจันทบุรีให้สิ้นเชิง ที่ไหนเป็นปืนใหญ่โตเหลือกําลังจะพาไปไม่ได้ก็ให้หาตะปูอุดชนวนกลิ้งลงทิ้งน้ําเสียให้หมดอย่าเหลือไว้ให้เป็นกําลังแก่ข้าสุดยวนต่อไปแล้วให้กวาดต้อนครอบครัวยวนผลละเมืองบรรทายมากและเมืองกัมปอดเมืองกําพงสมและบ้านเล็กบ้านน้อยตามรายทางทั้งยวนทั้งขเขมรให้กวาดต้อนพาไปไว้ในเมืองจันทบุรีให้สิ้นเชิง อย่าให้ผู้คนผลละเมืองเหล่านั้นเหลืออยู่แจ้งความของไทยให้พวกยวนรู้เหตุการณ์หนักเบาได้ฉันแต่พระสงฆ์เขมรและบาทหลวงยวนก็ให้พาไปเสียด้วยเถิดกับให้ทำลายล้างําแพงและป้อมหอรบหรือวัดวาอารามที่เป็นตึก ใ, ใหญ่ๆซึ่งพวกยวนจะอาศัยเป็นที่พักมั่นของพวกมันได้แล้วก็ให้ทลายเสียให้หมดสิน้นทุกบ้านทุกเมือง ตลอดตามรายทางที่จะไปเมืองจันท บ, บุรีนั้นอย่าให้เหลือไว้ Hal แล้วให้นำไฟจุดเผาเยาเรือนในบ้านเมืองเหล่านั้นทุกๆเมืองให้สิ้นเชิงด้วยให้ทำลายล้างเมืองต่างๆนั้นให้เหลืออยู่แต่แผ่นดินดังป่าและแม่น้ำเท่านั้นเจ้าพระยาพระทังได้ทราบความตามหนังสืขขอคำสั่ ง, บ, ง บ, บังคับราชการมาดังนั้นแล้วก็สั่งให้เจ้าพระยาพลเทพและพระยาจันทบุรี เป็นแม่กองกวาดต้อนครอบครัวยวนและขเขมรทุกเมืองลงเรือรบไปสิ้นแล้วสั่งให้พระยาราชวังสันแขกจามและพระยานรงฤทธโกษาแขกจามขุมพวกแขกไปทําลายล้างบ้านเมืองเสียทุกเมืองพวกแขกทําลายจนชั้นพระพุทธรูปและวัดใหญ่ๆนําไปเผาเสียทุกบ้านทุกวัดไม่ให้เหลือเป็นกําลังแก่ยวนต่อไปครั้งนั้นเมืองบันทายมาศและเมืองโจดุกเมืองกําปอด เมืองกำพงสมเป็นดังป่าหาบ้านเรือนและวัดไม่มีเลยเจ้าพระยาพระคลังและพระยาพระหลวงนายทัพเรือก็มาพักอยู่ที่เมืองจันทบุรีแต่ทัพเรือของพระยาพิทักษ์ทวยหารคุมครอบครัวยวนเมืองบันทายมาศเข้ามาถึงเมืองจันทบุรีก่อนทัพเจ้าพระยาพระคลังแล้วกองทัพเรือพระยานครเขื่อนขันผู้ว่าราชการเมืองนครเขื่อนขันคุมครอบครัวยวนและเขมรผลละเมืองกําปอด ตามเข้ามาเมืองจันทบุรีต่อภายหลังแล้วทัพเรือพระยาไกรโกษาหลวงสวัสดิโกษากํากับมาด้วยคุ้มครอบครัวผลละเมืองกําพงสมตามเข้ามาเป็นลําดับกันฝ่ายยวนเข้ารีดฝรั่งเศสที่มีอยู่ตามบ้านเล็กเมืองน้อยในแฝงจังหวัดเมืองโจดกและเมืองตึกเขมาเมืองบรรทายมากเมืองกําปอดเมืองกําพงสมทุกแห่งทุกตาบล น, นั้นขันรู้ว่าพวกยวนเข้ารีดฝรั่งเศส ที่อยู่ในคลององเกียงแวงเมืองโจดกนั้นยอมสมัครเข้าในการเคลื่อกล่อมของบาทหลวงเปรูชวนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนั้นแล้วพวกยยนเข้ารีดฝรั่งเศสในที่ต่างๆนั้นก็ชวนกันมาสมัครเข้าไปกรุงเทพด้วยรวมโยนเข้ารีดที่สมัครมาครั้งนั้น 2, สองพันเศษทั้งครอบครัวพระยาวิเศษสงครามฝรั่งเศสกับบาทหลวงเปรูก็รับพวกยวนเข้ารีดต่างๆลงบรรทุกเรืองแง่โงแงาย ที่เก็บได้เป็นเรือเฉลยเขมิบ้างเรือเฉลยยวนบ้างส่งยวนพวกเข้ารีดเข้ามายังเมืองจันทบุรีเจ้าพระยาพระคลังพระยานครเขื่อนขันหนึ่งพระยาไกลโกษาหนึ่งพระพิพิธพักดีจางวางสวยเพชรไทยเมืองจันทบุรีหนึ่งหลวงนาทีสิงขอ น, นายด่านเมืองจันทบุรีหนึ่งรวมสี่คนให้คุมเรือบรรทุกพวกครอบครัวยวนเข้ารีดฝรั่งเศสเข้าไปส่งอย่างกรุงเทพ รามเสี่ยงยุกภาคที่สองตอนที่สิเอ็ดกองทัพไทยถอยทัพหนีทัพหยวนกำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป